วันนี้เป็นวันเสาร์ที่สี่พฤษภาคมพุทธศักราช2562เป็นวันหยุดทำงานเป็นวันที่สัตธาญาติโยมพุทธบริษัทมีเวลาว่างจากภารกิจการงานต่างๆจึงได้ตั้งใจมาวัด เพื่อมาหาบัณฑิตตามคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ทรงสอนให้ครบบัณฑิตไม่ให้ครบคนพานการครบบัณฑิตการไม่ครบคนพานจะเป็นมงคลอย่างยิ่งต่อชีวิตเพราะเมื่อได้ครบกับบัณฑิตก็จะได้พบกับคนดีคนฉลาด ที่จะทำให้เราเป็นคนดีคนฉลาดต่อไปนั่นเองถ้าคบกับคนพาลก็คือคบกับคนโง่คบกับคนไม่ดีเขาก็จะทำให้เราโง่ทำให้เราไม่ดีการไม่คบคนโง่คนไม่ดีก็จะทำให้เราไม่โง่ไม่เป็นคนไม่ดีการครบคนดีคนฉลาด ก็จะทําให้เราเป็นคนดีคนฉลาดมันก็จะเป็นมงคลอย่างยิ่งต่อชีวิตของพวกเราเพราะเมื่อเราไม่โง้ไม่ไม่เป็นคนไม่ดีเป็นคนฉลาดเป็นคนดีชีวิตของเราก็จะมีแต่สิ่งที่ดีๆปรากฏขึ้นกับตัวเรานั่นเองคือความสุขความเจริญต่างๆ ก็จะเป็นผลตามมาอันนี่คือการมาวัดมาหาบัณฑิตหาคนรู้คนฉลาดคนดีไม่มีใครในโลกนี้ที่จะเป็นคนดีคนฉลาดเท่ากับพระพุทธเจ้าเท่ากับพระอริยสงสาวกุกนี่คือ คนดีที่แท้จริงคนฉลาดที่แท้จริงเพราะเป็นคนที่มีศีลมีสัตว์จะไม่ไปทำให้ใครเดือดร้อนเสียหายมีแต่ทำคุณทำประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นและกับตนเองเป็นผู้ที่มีความรู้ที่ไม่มีใครสามารถรู้ได้คือทางสู่การหลุดออกจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิด ไม่มีใครจะรู้ทางนี้นอกจากพระพุทธเจ้าและพระอริยสงฆ์สาวกเท่านั้นการได้พบกับพระพุทธเจ้าหรือได้พบกับพระอริยสงฆ์สาวกก็จะทำให้เราได้พบทางสู่การหลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิด น, นี่ ถ้าไม่ได้เจอพระพุทธเจ้าหรือตัวแทนของพระพุทธเจ้าคือพระธรรมคําสั่งคาสอนหรือพระอริยสงสากเราก็จะไม่มีวันรู้จักทางที่จะพาให้เราหลุดออกจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้เราก็จะติดอยู่ในการเวียนว่ายตายเกิดอย่างที่เราติดกันอยู่ในขณะนี้ไป ไปอย่างไม่มีวันสิ้นสุดนะเพราะตัวเราเองนี้ไม่มีความสามารถที่จะรู้ทางสู่การหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้เลยเพราะแม้แต่การเวียนว่ายตายเกิดของเราเรายังไม่รู้กันเลยเราไม่รู้ว่าเราเป็นผู้ท่องเที่ยวเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสังสารวัฏ มาเป็นเวลาอันยาวนานน่าจะเวียนว่ายตายเกิดต่อไปอย่างไม่มีวันจบสิน้นความจริงอันนี้เราก็ยังไม่รู้กันเพราะส่วนใหญ่เราก็จะคิดว่าเราพอร่างกายนี้ตายไปแล้วชีวิตเราก็สิ้นสุดลงเราคิดว่าชีวิตเรามีแค่ร่างกายนี้เท่านั้น เริ่มต้นที่การเกิดของร่างกายและสิ้นสุดลงที่ความตายของร่างกายแต่ความจริงแล้วมันไม่ได้เป็นเช่นนั้นความจริงเราไม่ได้เป็นร่างกายเราเป็นจิตใจผู้สั่งให้ร่างกายทำอะไรต่างๆและเป็นผู้ที่ไม่ได้ตายไปกับร่างกายหลังจากที่ร่างกายตายไปเราก็ไปรับ ผลบุญผลบาปที่เราได้ทำไว้กับร่างกายแล้วพอเราได้ชดใช้ผลบุญผลบาปแล้วเราก็กลับมาเกิดได้ร่างกายอันใหม่แล้วก็กลับมาทำบุญทำบาปกันใหม่ต่อไปอย่างนี้ไปเรื่อยๆเป็นอย่างนี้มาเป็นเวลาอันยาวนานน่าจะเป็นอย่างนี้ต่อไปอย่างไม่มีวันสิ้นสุดจนกว่าเราจะได้มาพบบัณฑิต คือได้พบกับพระพุทธเจ้าโดยตรงหรือพบกับตัวแทนของพระพุทธเจ้าคือพระธรรมคำสอนที่ได้มีบันทึกเอาไว้ในพระไตรปิฎกหรือพบกับพระอริยสงสาวุกของพระพุทธเจ้าเราถึงจะได้รู้จากสถานภาพที่แท้จริงของเราว่าเหล่านี้ไม่ได้เป็นร่างกายเราเป็นจิตใจผู้ที่ไม่มีรูปร่าง มีแต่ความรู้สึกนึกคิดที่ใช้ร่างกายให้ทำอะไรต่างๆคาตามความอยากของเราแล้วเราก็ไปรับผลของการกระทำของเราหลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วแล้วหลังจากที่ได้รับใช้บุญใช้บาปเสร็จแล้วก็จะกลับมาเกิดใหม่อีกครั้งหนึ่ง กลับมาเกิดแล้วก็มาทำบุญทำบาปมาทำอะไรตามความอยากต่างๆที่เราอยากทำกันต่อไปเวียนว่ายตายเกิดไปอย่างนี้ไปเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดจนกว่าจะได้มาพบกับพระพุทธพระธรรมหรือพระสงฆ์เราถึงจะได้เรียนรู้ว่าเราเป็นใครเรากำลังอยู่ในสถาภาพอย่างไร และเราควรที่จะดาเนินการอย่างไรเพื่อเปลี่ยนสถานภาพของเราให้มันดีกว่าที่เป็นอยู่ในตอนนี้ถ้าเราได้พบกับพระพุทธเจ้าหรือพระธรรมคาสอนหรือพระอริยสงสาวกเราจะได้เรียนรู้จากวิธีปรับปรุงตัวเราเองปรับปรุงจิตใจของเราพัฒนาจิตใจของเราให้ เป็นจิตใจที่สูงขึ้นที่ดีขึ้นที่มีความสุขมากขึ้นที่มีความทุกข์น้อยลงที่มีการเวียนว่ายตายเกิดน้อยลงไปตามลำดำับจนไม่มีการเวียนว่ายตายเกิดนลงเหลืออยู่อีกต่อไปคือเราจะได้เรียนรู้จากวิธีทาใจของพวกเราให้เป็นพระอริยบุคคลขึ้นมา ตอนนี้ใจของพวกเราเรียกว่าปุตุชนปุตุชนคือผู้ที่ยังติดยู่ในการเวียนว่ายตายเกิดผู้ที่ยังต้องเกิดแก่เจ็บตายในภพต่างๆแต่พอได้มาพบกับพระพุทธพระธรรมหรือพระสงฆ์เราก็จะ เ, เรียนรู้วิธีพัฒนาจิตใจของเราจากปุตุชนให้ไปเป็นพระอริยบุคคล อริยบุคคลเป็นบุคคลที่จะอยู่แบบมีความทุกข์น้อยลงไปเรื่อยๆมีความสุขมากขึ้นไปเรื่อยๆจนมีความสุขเต็มร้อยอยู่ภายในหัวใจและความทุกข์ดับไปหมดไม่มีความทุกข์เหลืออยู่ในใจภพชาติก็ลดลงไปตามลำดับ จากระดับขั้นที่หนึ่งคือพระโสดาบันนี้พบชาติในการเวียนว่ายตายเกิดจ ะ, จะเหลือไม่เกินเจดชาติเป็นอย่างมากนี่คือพระอริยบุคคลขั้นที่หนึ่งคือพระโสดาบันพอได้ขยับขึ้นสู่ระดับขั้นที่สองคือขั้นพระสกิดาคามีพบชาติคือการเวียนว่ายตายเกิดก็เหลือเพียงหนึ่งชาติ คือการจะกลับมาเกิดในภพของมนุษย์นี่หรือว่าไม่เกินหนึ่งชาติแล้วถ้าพัฒนาต่อไปขึ้นไปสู่ระดับที่สคือระดับของพระอนาคามีการเวียนว่ายตายเกิดในภพของมนุษย์ก็จะไม่มีอีกต่อไปไม่ต้องกลับมาเกิดมาแกมาเจ็บมาตายแบบที่พวกเราเป็นกันอยู่ในขณะนี้ แต่ยังจะไปเกิดอยู่ในพรหมโลกอยู่จนกว่าที่จะสามารถพัฒนาขึ้นสู่ขั้นที่สี่คือขั้นของพระอารหันต์พอได้ถึงขั้นพระอารหันต์แล้วก็จะไม่กลับมาเกิดในตายภพอีกต่อไปไม่กลับมาเกิดในภพของมนุษย์ของเทวดาที่เรียกว่ากามภพ ไม่กลับมาเกิดในภพของพรมคือรูปภพกับอรูปภพตายภพก็คือกามาภพรูปภพอรูปภพที่เป็นองค์ประกอบของสังสารวัต ส, สังสารวัตรก็คือโลกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดจะไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายอย่างที่พวกเราเป็นกันอยู่ในขณะนี้อีกต่อไป นี่คือสิ่งที่เราจะได้รับจากการได้คบกับบัณฑิตคือคบกับพระพุทธเจ้าคบกับพระธรรมคำสอนหรือคบกับพระอริยสงสาวกเราจะได้เรียนรู้วิธีพัฒนาจิตใจของพวกเราให้สูงขึ้นให้มีความสุขมากขึ้นให้มีความทุกข์น้อยลง ให้มีการเวียนว่ายตายเกิดน้อยลงไปตามลำดับจนไม่มีการเวียนว่ายตายเกิดหลงเหลืออยู่ในใจอีกต่อไปเมื่อไม่มีการเวียนว่ายตายเกิดทุ ก, ก็ย่อมไม่มีทุกย่อมมีแต่ผู้ย่อมทุกย่อมไม่มีแก่ผู้ไม่เกิดเท่านั้นผู้ที่จะไม่ทุกนี้จะต้องไม่มาเวียนว่ายตายเกิดจะต้องคบกับบัณฑิต ถึงจะยุติการเวียนว่ายตายเกิดได้จะต้องพบกับพระพุทธเจ้าหรือพบกับพระธรรมคำสอนหรือพบกับพระอริยสงสาวกุกถึงจะสามารถพัฒนาจิตใจปรปับปรุงจิตใจให้กลายเป็นพระอริยบุคคลขึ้นมาเป็นพระอริยบุคคลขั้นที่หนึ่งก็จะปิดประตูอบายด้วย พบการเวียนว่ายตายเกิดที่เหลืออยู่ไม่เกินเจ็ดชาตินี้จะเกิดในสุขคติ <Yeah. S 1> คือถ้าไม่เกิดเป็นมนุษย์ก็เกิดเป็นเทวดาแต่จะไม่ไปเกิดในอบายไม่ไปเกิดเป็นเดรัจฉานไม่ไปเกิดเป็นเปรตเป็นอสูรกายไม่ไปตกนรก <Yeah. S 1> อันนี้เรียกว่ามงคลอย่างยิ่งเป็นมงคลอย่างยิ่ง ไม่มีอะไรจะเป็นมงคลยิ่งกว่าการได้เป็นพระอาริยบุคคลอตอนนี้ฝนก็เริ่มโปรยลงมาแล้วศรัทธาญาติโยมต้องการจะขยับขยายก็เชิญได้ตามอัธยาศั ย, ยมีสองศาลาศาลาไมา้นี้ก็ขึ้นมาได้ศาลาปูนอยู่ด้านหลังก็มีอยู่สองชั้นมีทั้งชั้นบนทั้งชั้นล่าง เลือกขึ้นไปนั่งได้ตามอัธยาศัยสาลาไม้นี้ก็ขยับเข้ามาได้นั่งชิดๆกันหน่อยทางด้านหน้าก็ได้ทางด้านหลังก็ได้เิญตามสบายนานๆจะฝนจะตกสักทีรอฝนนี่มาหลายเดือนนะหลายอาทิตย์แล้วไม่ใช่หลายเดือนอากาศร้อนมาก ต้นไม้แห้งร้างผนมาคราวนี้จึงไม่เสียใจดีใจเพราะจะได้ทำให้มีความร่มเย็นมีน้ำให้ต้นไม้ได้อยู่ต่อไปเชิญขึ้นมาได้นะเก็มาขยับกันเพียงแต่ยาต้องมานั่งตรงหน้ากล้องก็แล้วกัน กล้องเดี๋ยวมองไม่เห็นถ่ายทอดไม่ได้นั่งติดๆกันหน่อยแต่นานจะได้นั่งใกล้ชิดกันทีส่วนใหญ่จะแยกกันนั่งห่างๆกันเพราะมีเนื้อที่กว้างขวางแต่พอธรรมชาติมาบังคับก็เลยต้องมาใกล้ชิดกันหน่อย การเช็ดกันดีจะได้รู้จักกันจะได้สนิทสนมกันจะได้เป็นเพื่อนกันจะได้รู้จักกันมีเพื่อนดีกว่าไม่มีเพื่อนนะเพราะเราเป็นคนที่ต้องอาศัยเพื่อนอยู่ร่วมโลกโทำอะไรคนเดียวนี่ยากลาบากมีเพื่อนช่วยกันทำแล้วมันง่ายเขาช่วยเราเราช่วยเขาน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่า เป็นวิธีอยู่ที่ดีพระพุทธเจ้าจึงสอนให้เรามีเมตตาต่อกันคำว่าเมตตาก็คือเป็นมิตรกันนั่นเองเป็นเพื่อนกันอย่าถือว่าเป็นศัตรูกันถึงแม้ว่าจะต้องแข่งขันในการเลี้ยงชีพหาเงินหาทองก็ให้หาเลี้ยงชีพแบบเพื่อนฝูง อย่าเลี้ยงชีพแบบศัตรูเราเป็นมนุษย์เราไม่ได้เป็นสัตว์เดรัจฉานสัตว์เดรัจฉานนี้เขาเลี้ยงชีพด้วยการเป็นศัตรูเพราะเขาต้องกินเขาต้องฆ่ากันฆ่าสัตว์อื่นเป็นอาหารแต่มนุษย์เหล่านี้ไม่ต้องฆ่ามนุษย์เพื่อที่จะเอาเป็นอาหารเราสามารถหาอาหารได้ด้ว ย, ว, ยวิธีอื่น เราจึงสามารถอยู่กันได้อย่างร่มเย็ยนเป็นสุขอย่างไม่เบียดเบียนกันแต่ถ้าไม่มีพระธรรมคำสั่งคำสอนบางทีความหลงที่ครอบงามจิตใจมันก็จะหลอกให้เราแข่งขันกันแบบสัตว์เดรัจฉานก็ได้แข่งขันกันแบบฆ่าฟันกันทำสงครามกัน เพื่อที่จะแย่งผลประโยชน์ให้แก่กันกันแล้วผลที่จะได้แทนที่จะเป็นความสุขก็กลับกลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาเวลามีสงครามแต่ละครั้งคนต้องน้อมตายจากกันไปไม่รู้เท่าไหร่คนต้องอดอยากขาดแคลนลำบากลาบนไม่รู้จํานวนเท่าไหร่นี่เป็นผลจากการที่ไม่มีความเมตตาต่อกัน ถ้ามีความเมตตาแล้วจะไม่มีสงครามจะไม่มีการฆ่าฟันกันจะไม่มีการทำร้ายกันจะมีแต่การให้ความเมตตาต่อกันจะมีแต่การให้ความช่วยเหลือกันมากน้อยก็ช่วยกันไปมีมากก็ให้มากมีน้อยก็ให้มาให้น้อยพอให้ อยู่กันได้นี่คือความเมตตาเป็นพื้นฐานของคําสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าสอนเรื่องของความเมตตาเป็นเรื่องแรกสอนให้สัตว์โลกอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขไม่ต้องเบียดเบียนกันเราสามารถทํามาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องได้ โดยที่ไม่ต้องไปทําให้ผู้อื่นเขาเดือดร้อนเสียหายเราจึงถือว่าเป็นมนุษย์มนุษย์ต่างจากสัตว์เดรัจฉานก็ตรงนี้แะตรงที่รู้จักความเมตตามนุษย์นี้รู้จักการมีเมตตาแต่สัตว์เดรัจฉานนี้เขาไม่รู้จักความเมตตาเขารู้จักการเอาตัวรอด เมื่อถึงเวลาที่เขาจะกินเขาก็ต้องเอาตัวเขาก่อนเอาตัวเขารอดให้ได้ก่อนเขาจะกินใครก็จะทําร้ายใครนี้เป็นเรื่องที่เขาไม่ให้ความสําคัญเขาให้ความสําคัญกับการอยู่รอดของเขาสังคมของสัตว์เดรัจฉานจึงเป็นสังคมที่ไม่น่าอยู่เหมือนกับสังคมของมนุษย์ แต่สังคมของมนุษย์นี้ก็อาจจะกลายเป็นสังคมของสัตว์เดรัจฉานได้ถ้าขาดความเมตตาถ้าไม่มีใครคอยเตือนคอยสอนให้มีความเมตตาต่อกันสังคมของมนุษย์ก็จะกลายเป็นสังคมของสัตว์เดรัจฉานได้เช่นในบางประเทศเนี่ยมีการฆ่าฟันกันเพื่อแย่งกันแย่งหาผลประโยชน์ มีการใช้อาวุธชนิดต่างๆทำร้ายกันทำลายกัน เ, เพราะไม่มีใครสอนให้มีความเมตตาต่อกันมีแต่สอนให้เอารัดอบเอาเปียกมีแต่สอนให้เอาชนะผู้อื่นให้ทำร้ายผู้อื่นเพื่อการอยู่รอดของตนแต่การอยู่แบบนี้อยู่แบบไม่มีความสุขเพราะอยู่แบบมีเวรมีกรรม เมื่อเราทำร้ายเขาเราก็จะมีผู้ที่เขาจะจ้องทำร้ายเราจะมีการอาฆาตพยาบาร์มีการฆ่าฟันกันอยู่เรื่อยๆเขาฆ่าเราเดี๋ยวญาติของเขาก็มาอญาติของเราก็ไปตามฆ่าเขาแล้วญาติของเขาก็กับกลับมาตามฆ่ากันฆ่ากันไปอยู่อย่างนี้ อยู่แบบนี้ก็อยู่เหมือนกับสัตว์ในราฉาอยู่กันถ้าอยู่แบบมนุษย์นี่ก็อยู่แบบเมตตาไม่ทำร้ายกันไม่เบียดเบียนกันไม่ให้ความทุกข์ทางร่างกายและทางจิตใจแก่ผู้อื่นมีแต่จะให้ความสุขคอยให้ความสุขแก่ผู้อื่นมีอะไรเหลือกินเหลือใช้ก็แบ่งกันไปให้กันไป ใครทุกข์ยากเดือดร้อนก็ช่วยเหลือกันไปอยู่กันแบบนี้ดีกว่าอยู่แล้วทุกคนมีความสุขทุกคนมองกันเป็นเหมือนมิตรเป็นเหมือนพี่เหมือนน้องไม่ได้เป็นเหมือนข้าศึกศัตรูที่จะคอยทำลายทาร้ายกันนี่คือบัณฑิตนะคือพระพุทธเจ้าผู้ที่ เห็นคุณค่าของความเมตตาต้งตัดว่าเมตตาคำจุนโลกโลกของเราจะอยู่ได้อย่างร่มเย็นเป็นสุขคือโลกของมนุษย์นี้ต้องมีความเมตตาเป็นเครื่องคำจุนโลกของสัตว์เดรัจฉานนี้เขาไม่มีความเมตตาลองเปรียบเทียบดูสัตว์เดรัจฉานกับมนุษย์กับโลกของมนุษย์ที่มีความเมตตา จะต่างกันโลกที่มีความเมตตามนุษย์เราจะไปไหนมาไหนจะทําอะไรนี้จะปลอดภัยจะไม่มีภัยไม่มีใครมาทําร้ายทําลา ย, ลายแต่สังคมของสัตว์เดราจฉานนี่เขากัดกินกันทุกวันอยู่ในปา่าอยู่ในที่ที่สัตว์เดราจฉานอยู่นี่จะมีความรู้สึกไม่ปลอดภัยเพราะไม่รู้ว่าจะถูกกัดถูกกินกันเมื่อไหร่ นั่นเพราะไม่มีความเมตตานั่นเองพระพุทธศาสนานี้เป็นศาสนาเดียวในโลกที่ที่ไม่ทําสงครามกับใครไม่สอนให้ไปทําสงครามกับใครไม่สอนให้ไปทําร้ายไม่ให้ไปเบียดเบียนใครถ้าจะทําร้ายก็ให้ทําร้ายข่าศึกศัตรูของจิตใจก็คือกิเลสตัณหา ความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆเช่นความอยากได้ลาบยศสรรเสริญความอยากหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายความอยากมีอยากเป็นความอยากเหล่านี้เป็นพิษเป็นภัยต่อจิตใจพระจะผลักดันให้จิตใจต้องไปต่อสู้แข่งขัน และอาจจะไปฆ่าฟันกันต่อไปได้ฉะนั้นการไม่ ท, ทาตามความอยากทาความโลภนี้จะทำให้ใจสงบจะทำให้ใจมีความสุขฉั้นอย่ า, ยาไปคิดว่าถ้าเราไม่ได้มีความอยากแล้วเราจะอยู่ได้อย่างไรโอ้ยเราจะดูเราจะอยู่ดียิ่งกว่าตอนที่เรามีความอยาก พอเวลามีความอยากแล้วมันทรมานใจนะเวลาอยากได้อะไรนี่ใจมันสั่นนะก่อจะหายสั่นก็ต้องได้สิ่งที่อยากได้เช่นคนอยากดื่มสุลานี่เวลาไม่ได้ดื่มสุลานี่ใจสัน่นมือไม้สั่นไปหมดนะไปดูพวกที่ติดสุลาพวกที่ติดบุหรี่พวกที่ติดยาเสพติดดูเนี่ยตรงนี้เวลาเกิดความอยากขึ้นมาแล้วไม่สามารถ ทำตามความอยากได้นี้จะมีความรู้สึกทรมานใจใจสั่นมือไม้สั่นไปหมดนี่คือโทษของความอยากประโยชน์ของความอยากก็มีเพียงนิดเดียวมีตอนที่ได้ทำอะไรตามความอยากพออยากได้อะไรพอได้มาก็ดีใจเดี๋ยวเดียวแล้วเดี๋ยวก็มีความอยากใหม่โผล่ขึ้นมาอีก แล้วความดีใจที่ได้จากการได้สิ่งนั้นก็หายไปความไม่สบายใจความหงุดหงิดลำคาญใจก็จะปรากฏขึ้นมาใหม่ดังนั้นการอยู่แบบไม่มีความอยากนี้ดีกว่านะก็เปรียบเทียบดูสิคนที่อยากบุหรี่กับคนไม่อยากบุหรี่ใครสบายกว่ากันคนที่อยากสุรากับคนที่ไม่อยากสุรานี้ใครอยู่สบายกว่ากันคนที่อยากอา ยาเสพติดกับคนที่ไม่อยากยาเสพติดนี่ใครจะดีกว่ากันการไม่มีความอยากนี่เป็นของดีแต่พวกเราคิดไม่เป็นกันเรากลับไปคิดว่าไม่มีความอยากแล้วเราจะเหงาเราจะว่าเฟ่เราจะไม่มีอะไรทำอันนั้นไม่ใช่เป็นความจริงการไม่มีความอยากนี้จะทำให้เรามีความอิ่มมีความสุขใจ มีความสบายใจอยู่เฉยๆก็มีความสุขอยู่เป็นสุขนะไม่ต้องมีอะไรไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องเดือดร้อนกับอะไรแต่ถ้ามีความอยากแล้วมันจะต้องเดือดร้อนกับสิ่งที่อยากได้กับสิ่งที่เราใช้เป็นเครื่องมือหาสิ่งที่เราอยากได้คือร่างกายของเรา เราจะได้อะไรมานี่เราต้องมีร่างกายที่แข็งแรงที่สมบูรณ์ถึงจะไปเอาสิ่งที่เราอยากได้มาได้แต่ร่างกายของเรามันจะไม่แข็งแรงสมบูรณ์ไปเรื่อยๆมันจะต้องมีวันแก่วันเจ็บพอมันแก่พอมันเจ็บแล้วทีนี้มันก็จะทำอะไรไม่ได้แล้วความทุกข์ทรมานใจมันก็จะโผล่ขึ้นมาอยู่เรื่อยๆ แต่ถ้าเราไม่มีความอยากเราจะไม่รู้สึกวุ่นวายใจไปกับความแก่กับความเจ็บเพราะเราอยู่เฉยๆได้ร่างกายทำอะไรไม่ได้ก็ไม่เป็นปัญหาอะไรเพราะเราไม่ต้องใช้ร่างกายไปทาอะไรให้ร่างกายอยู่เฉยๆเนตอนนี้เรานั่งเฉยๆได้เนี่ยดีกว่าตอนที่นั่งเฉยๆไม่ได้ตอนนั่งเฉยๆไม่ได้นี่เดี๋ยวมันอึดอัดขึ้นมาแล้วเดี๋ยวมันจะต้องขยับ จะต้องออกไปทำนู่นทำนี่ตามความอยากอยากเดินอยากยืนนี่ก็เป็นความอยากแต่ถ้าเราทำใจให้สงบทำใจให้เฉยๆได้ไม่มีความอยากเหมือนตอนนี้เราก็นั่งอยู่ตรงนี้ได้นั่งอย่างสบายนั่งอย่างมีความสุขฉะนันขอให้เราเห็นโทษของความอยากเห็นโทษของความโลภความโกรธความหลง มันเป็นฆาศึกศัตรูของพวกเราและมันเป็นตัวที่พาให้เรามาเวียนว่ายตายเกิดกันไม่ใช่ใครที่ไหนที่ดึงให้เรามาเวียนว่ายตายเกิดตัวที่ดึงให้เรามาเวียนว่ายตายเกิดก็คือความอยากอยากหาความสุขทางตาหูจมกูกลิ้นกายก็ต้องมีร่างกายเพราะร่างกายนี้มีตามีหูมีจมกูกมีลิ้นมีกาย เพื่อให้เราได้เสบรูปเสียงกลิ่นรสผด พ, พะนี้เองพอเราได้เสบรูปเสียงกลิ่นรสเราก็มีความรู้สึกมีความสุขขึ้นมาแต่เป็นความสุขเดียวเดียวเป็นความสุขแบบควันไฟเสบเสร็จเดี๋ยวมันก็หมดไปพอหมดไปแล้วก็เกิดความหิวขึ้นมาใหม่ความอยากขึ้นมาใหม่พอเกิดความอยากก็ต้องไปหามาเสบใหม่ ถ้าหาไม่ได้ก็จะเกิดความไม่สบายใจขึ้นมาถ้าหาได้ก็ดีใจสบายใจเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวก็ต้องหาใหม่แล้วต่อไปมันจะต้องเจอวันที่หาไม่ได้เวลาที่ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยเวลาที่ร่างกายแก่เวลาที่ไม่มีเงินทองใช้เนอนนั้นมันก็จะมีแต่ความไม่สบายใจ เพราะเกิดจากความอยากแต่ถ้าไม่มีความอยากนี่ไม่ได้มีอะไรไม่ได้ทําอะไรก็จะไม่รู้สึกเดือดร้อนแต่อย่างใดเหมือนคนที่ไม่ได้อยากสูบบุหรี่ก็จะไม่เดือดร้อนเหมือนกับคนที่อยากสูบบุหรี่คนที่อยากสูบดื่มสุรากับคนที่ไม่อยากดื่มสุร่านี้คนมไม่อยากดื่มสุร่านี้สบายกว่าอยู่เฉยๆไม่เดือดร้อน ไม่ได้ดื่มโซดาไม่เดือดร้อนแต่คนที่ไม่ได้ดื่มโซลานี้อยากดื่มโซลาแล้วเดือดร้อนอันนี้คือโทษหรือข่า ศ, ศึกศัตรูของพวกเราที่ทําให้เราต้องมาเวียนว่ายตายเกิดกันอยู่เรื่อยๆก็คือความอยากเหล่านี้นั่นเองที่พระพุทธเจ้าบอกว่าถ้าพวกเรามากําจัดความอยากเหล่านี้ได้ เราก็จะปรับปรุงจิตใจของพวกเราจากการเป็นปุถุชนให้ขึ้นมาเป็นให้ขึ้นมาเป็นอริยบุคคลได้ขั้นที่หนึ่งก็ให้เราตัดความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บมีใครบ้างอยากไม่มีใครบ้างที่อยากแก่อยากเจ็บอยากตายไม่มีใครเพราะอะไรถึงทำให้เราไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บไม่อยากตาย ก็เพราะความอยากใช้ร่างกายเป็นเครื us, faith, them, ่องมือหาความสุขให้กับเรานั่นเองเพราะว่าเวลาเราจะหาความสุขเราต้องใช้ร่างกายพาเราไปเวลาเราอยากจะดูหนังฟังเพลงเราก็ต้องใช้ร่างกายพาเราไปเวลาที่เราอยากจะเที่ยวเราก็ต้องใช้ร่างกายพาเราไปเที่ยวเราจึงไม่อยากให้ร่างกายแก่หรือเจ็บไข้ได้ป่วยหรือตายไป เพราะเวลามันแก่มันเจ็บมันตายมันไปเที่ยวไม่ได้มันไปหาความสุขไม่ได้มันเราจึงมีความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายมันเลยทําให้เราทุกข์กันเวลาเจอความแก่ใจไม่สบายแล้วเห็นผมหงอกเส้นเดียวใจก็เริ่มไม่สบายแล้วเห็นหนังเหี่ยวลงไปนิดหนึ่งก็ไม่สบายใจแล้ว พอรู้ว่าความแก่มันเริ่มขยับเข้ามาแนละ้วต่อไปความสามารถที่จะหาความสุขจากสิ่งต่างๆมันก็จะน้อยลงไปน้อยลงไปเรื่อยๆอถ้าเราอยากจะพัฒนาจิตใจของเราจากระดับปุตุชนให้ขึ้นไปสู่ระดับพระอริยบุคคลขั้นที่หนึ่งเราก็ต้องมาละความอยาก ไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายคือความจริงเราร่างกายเราจะอยากไม่อยากมันก็ต้องแก่เจ็บตายไปเป็นตำธรรมดาของมันอยู่แล้วเพียงแต่ว่าใจของเรานี้จะทุกข์กับมันหรือไม่ทุกข์อยู่ที่ว่าเราอยากหรือไม่อยากถ้าเราอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายเราจะทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตาย เราจะไม่สบายใจเวลาที่เราต้องแก่เวลาที่เราต้องเจ็บไข้ได้ป่วยเวลาที่เราจะต้องตายไปแต่ถ้าเรามาเลิกความอยากอันนี้ได้เราจะไม่ทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายการเลิกก็ไม่ใช่เป็นของยากเย็นอะไรเพียงแต่มองความจริงให้เห็นนั้นว่าร่างกายนี้มัน ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายได้หรือไม่ถามตัวเราดูร่างกายเนี้ยที่เรามีอยู่เนี่ยมันจะไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายได้ไหมมีใครทำให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายได้บ้างหรือเปล่าไม่มีใครทำได้ไม่ว่าจะเป็นร่างกายของใครตั้งแต่ปานาธิปดีพระเจ้าแผ่นดินลงมาถึงขอทานข้างถนนร่างกายเหมือนกันทุกคน ไม่มีใครทำให้ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายได้เราไปอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายทำไมมันก็คำตอบก็อยู่ง่ายๆตรงนี้เรามองไม่เห็นความจริงกันเราไม่ยอมรับความจริงของร่างกายกันเท่านั้นเองเราไม่ยอมรับว่ามันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเพราะเรายังอยากจะใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขอยู่นั่นเอง ดวิธีที่เราจะทำให้เราไม่ต้องพึ่งร่างกายไม่ต้องไปกลัวกับความแก่ความเจ็บความตายก็คือเราอย่าไปใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขเล <L> ถ้าเราไม่ต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขต่อไปร่างกายไม่สามารถทำอะไรให้กับเราได้เราก็จะไม่เดือดร้อน well, <L> เราก็จะไม่กังวลกับความแก่ความเจ็บความตาย ตอนนี้เรากังวลกันมากเพราะเราต้องการใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขให้กับเราเพราะเรายังอยากหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้วกายอยู่ถ้าเราไม่อยากจะใช้ร่างกายเราก็ต้องเลิกหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้วกายก็มาถือศีลแปดกันเนี่ยคนที่ถือศีลแปดนี้เป็นคนที่ทำสัญญากับตนเองว่าต่อไปนี้จะไม่หาความสุข ทางตาหูจมกูกเล้นกายสินก็สามก็จะไม่ร่วมหลับนอนกับแฟนถ้ามีแฟนมีสามีมีภรรยาก็จะไม่ร่วมหลับนอนกันจะไม่หาความสุขจากการร่วมหลับนอนกันอาหารก็ไม่กินมากเกินไปกินพออยู่กินแค่เที่ยงวันก็พอกินมากแล้วมันจะทำให้มีปัญหาตามมา จะทำให้ไม่สามารถมาหาความสุขอีกรูปแบบหนึ่งได้ความสุขแบบที่ไม่ต้องใช้ร่างกายเราต้องเปลี่ยนวิธีหาความสุขพูดง่ายๆเลือกหาความสุขผ่านทางตาหูจมูกนิ้วกายแล้วมาหาความสุขทางทางใจมาหาความสุขจากการทำใจให้สงบเพราะเวลาใจสงบแล้วจะมีความสุขที่มหัศจรรย์ ที่เลิศที่ประเสริฐที่ดีกว่าความสุขที่เราได้ผ่านทางร่างกายนั่นเองอ น, นี่คือสิ่งที่เราจะต้องทำถ้าเราต้องการที่จะไม่ต้องมาพึ่งร่างกายไม่ต้องมากังวลกับความแก่ความเจ็บความตายเราต้องเลิกใช้ร่างกายหาความสุขแล้วมาหาความสุขแบบที่ไม่ต้องใช้ร่างกายคือมาหาความสุขด้วยการฝึกสติ ทำใจให้สงบสอนใจให้ไม่ให้คิดอะไรให้หยุดคิดไม่ให้อยากอะไรถ้าเราทำได้เราจะมีความสุขโดยที่ไม่ต้องใช้ร่างกายเราไม่ต้องไปเที่ยวไม่ต้องไปดูหนังฟังเพลงไม่ต้องไปกินไปเดิมอะไรต่างๆตามที่เราทำกันอยู่ในขณะนี้เราสามารถมีความสุขได้จากการนั่งเฉยๆนั่งหลับตาเฉยๆ แล้วก็หยุดความคิดของเราพอหยุดความคิดใจนิ่งใจสงบเราก็จะเข้าถึงความสุขที่มีอยู่ในใจของเราแล้วเราก็ไม่ต้องใช้ร่างกายเมื่อเราไม่ต้องใช้ร่างกายเราก็จะไม่กลัวความแก่ความเจ็บความตายเราก็จะไม่ต้องไม่เดือดร้อนกับความแก่ความเจ็บความตาย ความอยากให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายมันก็จะไม่มีเพราะเรารู้ว่าเวลาอยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายมันจะทำให้เราทุกข์นั่นเองถ้าเราไม่อยากจะทุกข์เราก็จะไม่มีความอยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายถ้าเราหยุดความอยากนี้ได้ใจของเราก็จะพัฒนาจากปุตชนขึ้นมาเป็นพระโสดาบัน เราปล่อยวางร่างกายได้ไม่ต้องพึ่งร่างกายร่างกายเป็นเพียงคนรับใช้เราไม่ใช่ตัวเราเรากับร่างกายเป็นคนละคนกันเราเป็นผู้สั่งให้ร่างกายทำอะไรต่างๆเราเป็นผู้คิดเป็นผู้สั่งร่างกายเป็นผู้รับคำสั่งของเราเังน Heh ั้นเรากับร่างกายนี้ไม่ได้เป็นคนเดียวกันร่างกายตายไปเราไม่ได้ตายไปกับร่างกาย ความสุขที่เรามีอยู่ในใจของเราที่ได้จากความสงบไม่ได้ตายไปกับความตายของร่างกายไม่ได้หมดไปกับความแก่ไม่ได้หมดไปกับความเจ็บเราก็เลยไม่เดือดร้อ น, นกับเรื่องของร่างกายเราก็จะไม่กลัวความแก่ไม่กลัวความเจ็บไม่กลัวความตายอยู่อย่างสบายใจจะตายเมื่อไหร่ก็ไม่เดือดร้อนจะเจ็บเมื่อไหร่ก็ไม่เดือดร้อน จะแก่เมื่อไหร่ก็ไม่เดือดร้อนอยู่กับความแก่อยู่กับความเจ็บอยู่กับความตายได้ถ้าทำใจแบบนี้ได้ก็จะได้เป็นพระโสดาบันได้เป็นพระอริยบุคคลขั้นที่หนึ่งผู้ที่ได้อริยบุคคลขั้นที่หนึ่งนี้ก็จะทำให้พบชาติที่จะต้องมาเวียนว่ายตายเกิดนี้เหลือไม่เกินเจ็ดชาติ เพราะยังมีงานอื่นต้องทําต่อเพราะใจยังติดอยู่กับเรื่องอื่นที่ยังไม่ได้ตัดนะเรื่องที่ยังไม่ได้ตัดก็คือเรื่องของการหาความสุขจากการเสพกามอยู่ยังมีความอยากเสพอยากร่วมหลับนอนอกับแฟนกับสามีกับภรรยาอยู่ถ้าอยากจะตัดการที่จะกลับมาเกิด มีร่างกายก็ต้องตัดความอยากเสพกามนี้ให้ได้ถ้ายังมีความอยากเสพกามก็ยังต้องมีร่างกายอยู่เพราะต้องมีร่างกายถึงจะร่วมหลับนอนกันได้วิธีที่จะทำให้เลิกเสพกามได้ก็ต้องมองคนที่เราอยากจะเสพกามว่าไม่สวยไม่งามคนที่เราเห็นกันนี้มีสองส่วนส่วนที่สวยงามกับส่วนที่ไม่สวยงาม เรามักจะเห็นแต่ส่วนที่สวยงามกันเราเลยมักถึงเราจึงเกิดความรักเกิดความไข้กันแต่ถ้าเรามองไปในส่วนที่ไม่สวยงามความรักความไข้มันก็จะไม่เกิดส่วนที่ไม่สวยงามอยู่ตรงไหนของร่างกายก็อยู่ใต้ผิวหนังนี่ถ้าเรามองทะลุใต้ผิวหนังได้เราจะเห็นโครงกระดูกเน โครงกระดูกนี่มีอยู่ด้วยกันทุกคนแต่ไม่มีใครเห็นกันจะเห็นก็ตอนเมื่อตายแล้วเราไปดูคนตายอไปดูหมอไปดูหมอเขาชำแหละร่างกายออกมาเขาก็เอาโครงกระดูกมาแขวนไว้ให้ดูเนี่ยมานี่แหละคือโครงกระดูกที่มีอยู่ในร่างกายของพวกเรากันทุกคนแต่พวกเรามองไม่เห็นกัน ก็มีหนังหุ้มห่อโครงกระดูกอยู่นั่นเองมันเลยทําให้เราหลงลักกันเห็นหนังที่หุ้มห่อโครงกระดูกว่าสวยว่างามแต่พอเรานึกถึงโครงกระดูกที่อยู่ใต้ผิวหนังเราก็บอกให้เรากําลังจะไปนอนกับผีนะโครงกระดูกนี่มันเป็นอะไรเป็นผีหรือเปล่าเวลาเราเห็นโครงกระดูกเราเรียกว่าคนเรียกว่าผีกันเนี่ยเรากําลังจะไปหาผีมาเป็นแฟนรู้เปล่า ใครแม่งใครบ้างไม่มีโครงกระดูกนางงามจั ก, กรวาลก็ยังมีโครงกระดูกแต่ทําไมไปให้รางวัลกันะให้มงกุฎกันโอ้ยวุ่นวายไปหมดเพราะไม่เห็นโครงกระดูกใช่ไหมเห็นแต่หนังที่หุ้มโครงกระดูกเลยไปให้มงกุฎกับผีจั ก, กรวาลไม่ใช่นางงามจั ก, กรวาล น, นี่เพราะว่าไม่ได้มองเห็นโครงกระดูก เราคิดว่าเป็นนางงามจั ก, กรวาลแต่ใครที่มันนึกถึงโครงกระดูกอยู่เรื่อยๆต่อไปมองเห็นร่างกายใครก็จะนึกถึงโครงกระดูกขึ้นมาแล้วก็จะรู้ว่าโอ้ยมีแต่ผีเดินได้ทั้งนั้นเนี่ยผีนั่งอยู่ตรงนี้ผีมาจากไหนผีก็มาจากร่างกายนี่แหละตอนนี้มันมีหนังหุ้มห่ออยู่มันยังไม่โผล่ขึ้นมาเดี๋ยวเวลาที่หนังมัน หนังมันมันตายไปแล้วสมัยก่อนเขาไม่เาไม่ฝังก็ไม่เผาร่างกายเขาเอาไปทิ้งในป่าชาเี่ยทิ้งไปเดี๋ยวนานทิ้งไว้สักพักหนังก็เปื่อยหนังก็ย่อยหายไปก็จะเหลือโครงกระดูกในป่าช้านี่จะมีโครงกระดูกเต็มไปหมดสมัยพระพุทธเจ้านี่เขาไม่เผาัน บางทีก็เผาบางบางทีก็ไม่เผาพวกที่ไม่เผาเขก็เอาไปทิ้งไว้ในป่าชาเอาผ้าหอ่อศพห่อไว้แล้วเดี๋ยวไม่นานก็มันก็ผุพังไปส่วนที่มันเปื่อยมันก็เปื่อยไปผิวหนังมันก็จะเปื่อยจะผุจะพังไปแต่โครงกระดูกนี้มันไม่ผุพังเนี่ย้าใบป่าชากันมีสองประโยชน์ด้วยกัน สมัยก่อนพระพุทธเจ้าสมัยพระพุทธเจ้านี้พระไปเก็บผ้าในป่าชามาทำจีวรเพราะสมัยนั้นไม่มีใครถวายผ้าจีวรให้กับพระมีแต่ใสบาทอย่างเดียวสมัยนั้นญาติโยมไม่รู้ว่าพระต้องการผ้ารู้เพียงว่าต้องการอาหารเพราะตอนเช้าพระจะถือบาทเข้าไปในหมู่บ้านแล้วนิสัยของพระก็คือไม่ขอไม่บอก ญาติโยมก็ไม่รู้ว่าพระก็ต้องการผ้าเมื่อไม่มีคนถวายผ้าพระก็เลยต้องไปเก็บผ้าหอ่อศพพระเลยต้องไปเยี่ยมป่าชา้ากั น, นก็ได้ประโยชน์สองอย่างได้ผ้าแล้วก็มาได้โครงกระดูกได้เห็นโครงกระดูกท่านก็เอาโครงกระดูกนี้มาระลึกอยู่ภายในใจอยู่เรื่อยเวลาเห็นใครก็ให้นึกถึงโครงกระดูกที่ ถูกหนังหุ้มห่ออยู่ถ้านึกบ่อยๆต่อไปมันก็จะจำได้พอจำได้แล้วทีนี้ไม่ว่าจะเห็นใครสวย ใ, ใครหลอ่อหรือไม่สวยไม่หลอ่อก็จะเห็นเหมือนกันหมดเห็นว่าเป็นโครงกระดูกมีโครงกระดูกเหมือนกันหมดแล้วมันก็จะทำให้ความรักความค่้นี้มันหายไปหมดไปผู้ที่ทำให้ความรักความค่้ หมดไปได้ก็เป็นพระอนาคามีเป็นขั้นที่สามขั้นที่สองนี่พระสะกิดาคามีท่านทำได้ไม่หมดท่านเห็นบางทีบางทีไม่เห็นบางทีก็เห็นบางทีก็ลืมบางทีก็ลืมนึกเวลามองไม่เห็นโครงกระดูกก็เห็นเป็นนางงามจักรวาลไปก็เกิดความลกเกิดความไข่ขึ้นมาพอเวลานึกถึงได้ก็กลายเป็นผีจักรวาลไป ก็ยังไม่สามารถตัดความรักความค่ายได้แบบร้อยเปอร์เซทำได้ก็คือทําให้เบาบางลงไปถ้าได้ขั้นที่สองนี้ก็จะยังต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกหนึ่งครั้งเพราะยังติดยังมีความอยากเสพกามนี้อยู่แต่ถ้าได้ขั้นที่สามนี้เป็นขั้นที่สามารถที่จะมองทะลุเข้าไปใต้ผิวหนังได้ทุกเวลา เห็นใครก็จะเห็นโครงกระดูกของเขาพร้อมๆกันไปก็จะทำให้ความรักไข่ในคนไม่ว่าเป็นหญิงเป็นชายจะไม่มีอีกต่อไปเพราะรู้ว่าไปรักโครงกระดูกไม่ใช่ไปรักไปหญิงไม่ไม่เลยไปรักหญิงรักชายแล้วรักโครงกระดูกเพราะทั้งหญิงทั้งชายนี้มีโครงกระดูกเหมือนกันหมดเพียงแต่เราไม่นึกถึงมันก็เลยมองไม่เห็นเท่านั้นเอง แต่ถ้าเราลองมาฝึกนึกบ่อยๆดูสิต่อไปมันก็จะต้องเห็นเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่มีอะไรมาปกปิดความนึกคิดของเราได้ถ้าเรานึกเราคิดอยู่เรื่อยๆเดี๋ยวมันก็จะฝังอยู่ในใจเราต่อไปมองเห็นใครก็จะเห็นโครงกระดูกมาด้วยกันเห็นทั้งคนเห็นทั้งผีมาด้วยกัน ก็เลยจะไม่ไม่หลงรักใครไม่อยากจะมีแฟนไม่อยากจะมีสามีไม่อยากจะมีภรรยาเมื่อไม่มีความอยากที่จะต้องเสพกามก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องมีร่างกายต่อไปพระนาคามีนี่ก็ถ้าตายไปก่อนที่จะไปเป็นพระอรหันต์ก็จะไปเกิดในพรหมโลกแทนเพราะยังไปติดความสุขของพรหมโลกอยู่ แต่ไม่ติดความสุขของมนุษย์และไม่ติดความสุขของร่างกายไม่มีความอยากยมีร่างกายของใครมาเป็นแฟนมาให้ความสุขกับตนแต่ยังไปติดกับความสุขของความสงบอของฌานขั้นต่างๆอยู่อันนี้เป็นหน้าที่ของพระอนาคามีหลังจากที่ตัดความอยากหาความสุขจากร่างกายได้แล้ว ก็ไปติดกับความสุขทางจิตใจความสุขที่เกิดจากความสงบก็ต้องไปละความสุขนั้นไปละความติดย่กับความสุขนั้นด้วยการพิจารณาความสุขของความสงบว่ามันก็เป็นไตรลักษณ์มันไม่เที่ยงมันมีเกิดมีดับเข้าฌานก็สงบออกจากฌานก็ไม่สงบเวลาอยู่ในฌานจิตก็สงบมีความสุข เวลาฌานเสื่อมลงไปความสงบก็หายไปความสุขก็หายไปความทุกข์ก็ตามมาถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็ต้องอย่าไปติดกับความสงบของฌานปล่อยให้มันมามันไปตามเรื่องของมันไม่ต้องไปเสพความสุขจากความสงบเสพความสุขจากความไม่มีความอยากดีกว่าเหมือนคนที่ไม่ติดสุฬาดีกว่าคนติดสุฬา คนติดสุราก็จะต้องมีความสุขสลับกับความทุกข์ไปแต่คนที่ไม่ติดสุราก็ไม่มีความทุกข์มาให้ทุกข์ด้วยมีแต่ความสุขเพียงอย่างเดียว น, นี่คือการพัฒนาปรับปรุงจิตใจให้พิกขึ้นไปแต่ละขั้นด้วยการละความอยากต่างๆที่มีอยู่ในใจให้มันหมดไปด้วยการเห็นโทษของความอยากว่า การมีความอยากนี้มันไม่ดีสู้ไม่มีความอยากดีกว่าคนที่มีความอยากแล้วถึงแม้จะมีความสุขก็จะต้องมีความทุกข์ด้วยแต่คนที่ไม่มีความอยากก็จะไม่มีความสุขไม่มีความทุกข์จากสิ่งที่อยากได้แต่จะมีความสุขอีกแบบหนึ่งความสุขที่เกิดจากการไม่มีความอยากความสุขนี้ดีกว่าเพราะเป็นความสุขที่ถาวรเป็นความสุขที่ ไม่มีวันเสือ่อมไม่มีวันหมดเป็นความสุขที่ไม่ต้องใช้อะไรเป็นเครื่องมือไม่ต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขต่างๆอยู่เฉยๆไม่มีความสุขนี้มีความสุขมากทีเดียวไม่เชื่อก็ลองไปหยุดความอยากดูชั่วข่าวไปฝึกนั่งสมาธิดูถ้าจิตสงบตอนนั้นความอยากก็จะยุดหยุดไปชั่วข่าวพอหยุดชั่วข่าว ใจก็เกิดความสุขขึ้นมาทันทีความสุขเกิดจากการที่หยุดความอยากได้แต่พอออกจากสมาธิมาพอเริ่มเกิดความอยากขึ้นมาความสุขที่ได้ก็หายไปใจก็จะกระวนกระวายกระสับกระส่ายขึ้นมาใจพออยากได้อะไรแล้วมันอยู่ไม่เป็นสุขแล้วมันต้องไปเอาไปทําตามที่ความอยาก ทำไปจนกว่าจะได้ถึงจะหยุดแต่ก็หยุดได้เดียวเดียวเดี๋ยวความอยากใหม่ก็โผล่ขึ้นมาอีกดังนั้นแทนที่เราจะไปทำตามความอยากเราควรหยุดความอยากกันเพราะถ้าหยุดความอยากแล้วต่อไปความอยากมันจะไม่กลับมาไม่ทำตามความอยากแล้วความอยากจะไม่กลับมาถ้าทำตามความอยากมันจะกลับมาเรื่อยๆดูคนที่อยากบุหรี่ดูสิ พออยากบุหรี่พอสูบบุหรีปั๊มเดี๋ยวความอยากใหม่ก็มาพอสูบมวนที่สองเดี๋ยวความอยากของมวนที่สามก็ตามมาลองไม่สูบดูสิพออยากครั้งนี้ไม่สูบมันครั้งที่สองไม่สูบมันเดี๋ยวครั้งที่สามครั้งที่สี่มันจะเบาลงไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวมันก็จะไม่กลับมาอีกต่อไปน <Yeah. S 1> เราต้องฝืนความอยากให้ได้น้องมาหยุดความอยาก การที่จะหยุดความอยากได้เราก็ต้องมาฝึกสติฝึกสมาธิกันถ้าเรามีสติมีสมาธิเราก็จะหยุดความอยากได้แล้วถ้าเราอยากจะไม่ทำตามความอยากเราก็ต้องรู้ว่าทำไมเราไม่ควรทำตามความอยากเพราะการทำตามความอยากมันจะพาให้เราไปพบกับความทุกข์นั่นเองเวลาเกิดความอยากขึ้นมาก็ทุกข์แล้วใจไม่สงบแล้วก็ทุกข์แล้ว แล้วสิ่งที่เราอยากได้มันก็เป็นความสุขเดียวๆหรือเป็นความสุขที่จะเปลี่ยนไปหมดไปพอความสุขที่เราได้จากสิ่งนั้นหมดไปความเสียใจก็ตามมาเช่นเรามีความสุขกับแฟนพอแฟนจากเราไปเลิกกับเราเราก็เสียใจนะแล้วไม่มีอะไรจะอยู่กับเราไปตลอดเป็นของเราไปได้ตลอดไม่ว่าได้อะไรมาเดี๋ยวสักวันหนึ่งก็ต้องจากกัน ไม่จากกันตอนเป็นก็ต้องจากกันตอนตา ย, ยนั้นจะมีความทุกข์รอเราอยู่ถ้าเราไปหาสิ่งนั้นสิ่งนี้มาให้ความสุขกับเราเพราะว่าไม่ช้าก็เร็วเขากับเราก็ต้องพัดภาคจากกันไม่จากกันตอนเป็นก็จากกันตอนตายดูเลยดูสามีภรรยาบางคนก็เลิกกันยังไม่ตายก็เลิกกันหรือตายจากกันคนหนึ่งตายจากอีกคนหนึ่งไป คนที่อยู่ก็ร้องห่มร้องไห้เศร้าโศกเสียใจไปทั้งๆ ท, ที่คิดว่าการมีแฟนจะมีความสุขมีความสุขแล้วทําไมต้องมาร้องห่มร้องไห้ก็เพราะว่ามองไม่เห็นตลอดไ ม, ไม่ได้มองเรื่องของการมีแฟนตลอดมองแต่ตอนได้กันเวลาได้กันได้เป็นแฟนกันก็นกมีความสุขแต่ไม่ได้มองเวลาที่ไม่ได้เป็นแฟนกันเวลาที่ต้องจากกันเนี่ยมันกลายเป็นความทุกข์ขึ้นมา มองไม่รอบคอบพูดง่ายๆมองเพียงด้านเดียวมองแต่ด้านของความสุขไม่ได้มองของด้านของความทุกข์ถ้าเราหัดมองทางด้านของความทุกข์เวลาเกิดความอยากเราก็จะหดตัวขึ้นมาไม่เอาดีกว่าได้มาแล้วเดี๋ยวจะต้องทุกนี้มีใครอยากได้บ้างเช่นถ้าเขาใส่ลูกระเบิดไว้ในกล่องหอ่อหอด้วยกระดาษสวยๆงามๆ แล้วก็อาจจะติดมีมีเงินติดอยู่บนบนห่อให้เราอย่างนี้เราจะเอาไหมถ้าเราไม่เปิดถ้าเราไม่รู้ว่าในกล่องมีลูกระเบิดเราคงจาคิดว่ามีของดีอยู่ในนั้นมีเงินแต่พ่าเราไปแกะกล่องดูเห็นว่าเป็นลูกระเบิดเราไม่เอาดีกว่าเนี่ยสิ่ ง, งต่างๆที่เราอยากได้นี้เวลาเราเห็นเราจะมักจะเห็นว่ามันเป็นสุขกัน แต่เรามองไม่เห็นว่ามันมีความทุกข์ตามมาที่หลังเพราะสิ่งที่เราได้มาไม่ช้าก็เร็วมันจะต้องเปลี่ยนมันจะต้องเสียมันจะต้องดับมันจะต้องหายมันต้องจากเราไปอย่างใดอย่างหนึ่งพอเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดการพัดพาคจากกันก็เกิดความร้องห่มร้องไห้เกิดความเศร้าโศกเสียใจตามมานี่คือ เรื่องของปัญญาต้องมองให้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นทุกข์ไม่ใช่เป็นสุขถึงแม้จะเป็นสุขก็มันก็มีทุกข์ตามมาเพราะว่าสุขมันเป็นสุขเดียวเดียวสุขชั่วคราวเรียกว่าไม่เที่ยงสุขอันนี้เป็นความสุขแบบอันนี้จังสุขเดียวเดียวพอสุขหมดทุกข์ก็เข้ามาแทนที่ทันทีถ้าเห็นอย่างนี้แล้วต่อไปเราก็จะไม่อยากได้อะไรไม่อยากมีอะไร เราก็จะอยู่แบบไม่ต้องมีอะไรเพราะเวลาไม่มีความอยากนี่ใจของเรามีความสุขมากไม่ต้องมีอะไรมาให้ความสุขกับเราขอให้เรากาจัดความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจเท่านั้นแล้วความสุขมันจะมาหาเราเองเราไม่ต้องวิ่งไปหาความสุขความสุขมันรอพบเราอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราวิ่งหนีมันอยู่เรื่อยๆเราวิ่งไปหาสิ่งนั้นสิ่งนี้ ทั้งๆที่เรามีความสุขที่ดีกว่าเราเราอยู่ในใจของเรานี่เองวิธีที่จะทำให้ใจเรากลับมาเจอความสุขที่เราเราอยู่ก็คือเราต้องเลิกหาสิ่งต่างๆตามความอยากของเราเราต้องเลิกหาความสุขจากลาบยศสรรเสริญเลิกหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆหยุดความอยากเหล่านี้ได้แล้วเราก็จะกลับมาพบกับความสุขที่รอเราอยู่ในใจของเรานี่เอง นี่คือความสุขที่พระพุทธเจ้าได้ทรงค้นพบที่เรียกว่าตัดจารุตัดจารุก็คือนี่ล่นิบานังปรมังสุขรังความสุขของพระนิพพานเป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่ที่สุดพระนิพพานก็คือใจที่ไม่มีความอยากนั่นเองใจที่หยุดความอยากต่างๆได้ใจที่หยุดหาความสุขจากสิ่งต่างๆได้ใจก็จะกลับมาพบกับความสุขของพระนิพพาน ที่เป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่และเป็นความสุขที่ถาวรเป็นความสุขที่แท้จริงผู้ใดได้พบกับพระนิพพานผู้นั้นก็คือพอาาระอรหันต์นี่คือนี่คือการพัฒนาจิตใจให้ขึ้นจากระดับปุถุชนขึ้นไปสู่ระดับของพระอริยบุคคลโดยการมากําจัดความอยากต่างๆที่มีอยู่ในใจให้หมดไปโดยการฝึก จิตใจให้ทำใจิตใจให้สงบด้วยศีลด้วยสมาธิด้วยปัญญาถ้ามีศีลตั้งแต่ศีลแปดขึ้นไปมีสมาธิมีปัญญาก็จะสามารถหยุดความอยากต่างๆกำจัดความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจเมื่อใจไม่มีความอยากหลงเหลืออยู่ใจก็เป็นนิพพานขึ้นมาเป็นบร ม, มสุขขึ้นมา แล้วก็จะเป็นอย่างนี้ไปอย่างไม่มีวันสิ้นสุดใจของพระเจ้าตอนนี้ก็ยังเป็นบรมมาสุขอยู่ 2,500 กว่าปีมาแล้วก็ยังเป็นบรมมาสุขอยู่แล้วจะเป็นอย่างนี้ไปไม่มีวันสิ้นสุดส่วนใจของพวกเหล่านี้ก็เป็นบรมมาทุกขมาตลอดเวลาทุกกับเรื่องนั้นทุกกับเรื่องนี้มาตลอดเวลาแล้วก็จะทุกขต่อไปเรื่อยๆถ้าเรายัางวิ่งไปหายัางมีความอยากกับ อยากได้สิ่งต่างๆอยู่เพราะสิ่งต่างๆที่เราไปหานั่นแหละเป็นตัวที่ทําให้เราทุกข์กันพอได้อะไรมาแล้วเดี๋ยวก็ต้องทุกข์กับเขาถ้าไม่มีเขาก็ไม่ไม่ต้องทุกข์กับเขามีแฟนก็ต้องทุกข์กับแฟนมีลูกก็ต้องทุกข์กับลูกมีอะไรก็ต้องทุกข์กับมันพอเราไม่มีอะไรแล้วเราก็จะไม่มีความทุกข์ตอนนี้เรามันมีแต่บรมมาทุกข์พระพุทธเจ้ามีแต่บรมมาสุขเราต้องทําตามพระพุทธเจ้า เรอมาปฏิบัติศีลสมาธิปัญญากันเมื่อเราปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาได้ต่อไปใจของเราก็จะเป็นบร ม, มสุขนี่คือการเข้าหาบัณฑิตเข้าหาเพื่อเข้าหาบร ม, มสุขนี้เองไม่มีสุขอันใดที่จะเหนือกว่าความสุขที่เกิดจากความสงบที่เราจะได้จากบัณฑิตคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เท่านั้นนอกจากนั้นไม่มีใครรู้จักวิธีสร้างความสุขอันนี้ ก็ขอให้เราจงเอาคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้านี้ไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญและความหมดสิ้นสุดของการเวียนว่ายตายเกิดที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็พอสมควรแก่เวลาจงขออนุโมทนาให้พรยะถาวาริวาหาปุราปาริโปเรนติสากลัง เอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปปักปติอิชิตังปฏทิตังตมหังคิปะเมวะสมิจโตสัพเเอปุเรนโตสามกปาจันโทปนะระโสยธามณิโชติระโสยธาสพิติโยวิวัจฉันโตสัพโรโควินาสตุ มาเตภวะตวันตารโยสุขีทีขายุโกวะอภิวาธนสิริสะนิจังวุฒาปจายโนจตารธมรมวทานติอายุวันโอสุขังพาละ ช่วงนี้เป็นช่วงถามตอบปัญหาใครมีคำถามถามได้ในตอนนี้ถ้าไม่ถามเองก็เขียนใส่กระดาษเข้ามาส่งข้อความเข้าม า, าวันนี้เข้ามาเท่าไหร่วันนี้ทาง Facebook เข้ามาทั้งหมดสอง้อยสี่สิบเจ็ดคน y o u t u หนึ่งร้อยหกสิบปดคนวิทยุออนไลน์ยี่สิบี่คนผู้ละฟังบนเขาหนึ่งร้อย แคนรวมทั้งหมดห้าร้อยสี่สิบเจ็ดคนครับผมวันนี้ตอนต้นเห็น facebook มีปัญหาเลยเฟซบุ๊กเป็นที่เสียงครับผมเสี่ยงไม่ถูกอันนี้แก้ไขเรียบร้อยแล้วแก้ไขแล้วครับอ่าทางนี้เขาอยากจะถามปัญหาถามให้พอเลยนะมันไมยังไม่ต้องส่งคืนเดี๋ยวส่งคืนแล้วต้องส่งกลับไปกาบนวัฒการรมเลยังหวัดจันทร์ คือโยมคล่องใจนิด น, นึงกับการที่ว่าอย่างที่ว่าเราสอนใจของเราเองให้ปล่อยวางหรืออะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมจ้ะคะกับการกับกายกับจิตของเราเนี่ยกิดความอยากความไม่อยากแล้วก็ความเจ็บปวดหรืออะไรเนี่ยให้สอนใจอยู่แต่ทีนี้ก็ไม่อยู่เมื่อเมื่อปลายเดือนที่แล้วยมไป เ, เหมือนกับเขาปฏิบัติธรรมเฉลิมเกียรตินะแล้วแต่แต่เป็นคอร์สเหมือนกับวิปัสสนากรรมฐาน แล้วเขาก็ให้เหมือนกับให้เราดูเกิดดับใช่ไหมเราดูเพื่ออะไรใช่ไหมให้ดูเกิดดับสภาวะที่มันเกิดขึ้นผมไม่ถามว่ามาถามเราทำไมนะ่ะ <c oughs> คือให้ดูสิ่งที่เราอยากได้ว่ามันต้องมีเกิดมีดับ <c oughs> อ่า <c oughs> เช่นแฟนนี่เวลาได้มาเดี๋ยวเวลาดับเป็นยังไงอต้องมีวมีเกิดมีดับมีมามีไปมี ให้มองอย่างนี้คือไม่เที่ยงคําว่าดูเกิดดับก็คือมันไม่เที่ยงมันไม่เกิดอย่างเดียวมันเกิดแล้วมันต้องดับเข้าใจไหมทีงก็ไม่รู้เข้าไปดูอะไรเราก็ไม่รู้่ะ เ, เขาให้ดูสภาวะที่มันเกิดในกายสมมุติว่ า, าไม่ว่าเราจะเห็นแสงหลายยมก็บอกว่ า, ามันไม่<ำ>สําคัญหรอกมันยมบอกว่าพระอาจารย์บอกว่ า, <ม> า, วาคือเราสมถะถ้าเห็นแสงปุ๊บเราก็ตัดเลย เราเราเอาความนี้งเขาก็บอกให้ตามแสตงตรวจให้ดูเกิดดับที่ราบยศสรรเสริญดูราบมีเกิดแล้วก็มีดับนะเวลาได้ลาบมาก็ดีใจเวลาราบหมดก็เสียใจให้ดูตรงนั้นให้ดูว่ามันมีทุกข์แต่เรามักจะมองเห็นแต่มีสุขอย่างเดียวได้ลาบมาโอ๊ยดีใจได้ยศมาดีใจเห็นไหมในเวลาเสียยศไปนี่ไม่ไม่เห็นกัน เลยให้มาเห็นทั้งสองส่ว น, วนเห็นว่ามีทั้งเกิดแล้วมีต้องมีดับด้วย เ, เข้าไปดูไม่เขาพวกนี้ไม่ได้ศึกษากันก็เรียกว่าพวกเมาพวกพวกอะไรพวกพวกเดามากกว่าแบบตาบอดคอมคุมอะไรคาช้างอะไรพวกนี้มันไม่ได้ศึกษากันแบบจริงจริงจังจริงเลยก็เลย ก็เนี่ยก็เรียนแบบเนี้เกิดดับเกิดดับสงสัยทำไมงั้นเราต้องเข้าเข้ากรรมฐานเพื่อจะให้ดูเกิดดับเพื่อปล่อยวางเลยก็เรามักจะลืมมันดับมไปเราจะเห็นแต่เกิดจะไม่เห็นมันดับนี่เราต้องพยายามให้เห็นว่ามันเกิดแล้วต้องดับด้วยทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มันเป็นอย่างนี้ลาภยศสัลเสริญมีเจริญแล้วก็ต้องมีเสื่อมแต่เราจะเอาแต่เจริญอย่างเดียวไม่เงินเดินยาวขึ้นอย่างเดียวอ เงินเดินไม่ยอมลดไม่ยอมออกจากงานเงแต่พอตกงานขึ้นมาเป็นยางไงทุกไหมถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็อย่าไปทำงานมาบวชพระรับรองไม่ตกงานนะแต่ไม่มีเงินเดือนเมื่อเอื่เดินเดินจงโงเป็นังไงใช่ไหมคะเขาก็ให้เราดูเกิดดับของของจิตเรา่อยู่มันก็เกิดดับแต่มันไม่มีสาระประโยชน์มันไม่มีความหมายกับใจเรา ให้ไปดูเกิดดับก็บสิ่งที่เรารักเราหวงเราอยากได้นั่ให้เห็นตัวนั้นอ่ะมันจะได้มันจะได้ไม่อยากได้อไม่อยากจะเพราะว่าเวลามันดับมันจะทำให้เราทุกข์อถ้าเขาบอกว่าคุณแต่งงานกันหกเดือนแล้วจะต้องทิ้นกันคุณจะไปแต่งไหมไม่แต่งไม่แต่งในวันนีอหรือว่าถ้าแต่งแล้วเดี๋ยวเขาจะไปมีชู้อย่างเงี้ยอจะแต่งไหมอ่าแล้วมีอะไรมา มารับประกันว่าเขาจะไม่ไปไม่เปลี่ยนแปลงมีไมไม่มีทุกอย่างมันต้องเปลี่ยนเปลี่ยนช้าเปลี่ยนเร็วเปลี่ยนมากเปลี่ยนน้อยยัให้มองอย่างนี้ให้มองในสิ่งที่จะสะเตือนใจเราสิ่งที่ไม่สะเตือนใจเราไม่ต้องไปมองแล้วฟ้าฟ้ารบมันก็เกิดดับของมันเห็นไปดูมันทาไมให้มันเสียเวลาเป่าได้ไหมเสียงนกเสียงกามันก็เกิดดับเกิดดับไม่ดูมันทาไมมันไม่มันไม่มาสะเตือนใจเรา เอาเสียงคนด่าดีกว่าเกิดดับเกิดดับนี่เวลาใครด่าเราก็บอกเกิดดับกิดดับมันเกิดแล้วมันดับไปแล้วแต่เราไม่ยอมให้มันดับนะเอามานั่งคิดเขาด่าเมื่อเช้านี้บ่ายนี้ยังคิดถึงมันอยู่มันดับไปต้งนานแล้วแต่เราไม่ยอมให้มันดับเราเลยทุกข์ใช่ไหมมันดับไปแล้วเขาด่าปุ๊บมันก็หายไปแล้วเราเอามาคิดต่อมแล้วก็มาทุกข์กับมันต้องปล่อยวาง ของทุกอย่างมีเกิดม่ดับบางทีก็ไปแล้วยังไม่ยอมให้เขาไปมาคิดอยู่นั้น ค, คนตายไปแล้วยังมานั่งร้องห่มร้องไห้สามวันเจ็ดวันก็ยังร้องไห้อยู่นั้นพอคิดถึงเขาที่ไรก็ร้องไห้ทุกทีอันนี้ก็เปนเพราะเราไปยึดไปติด ก, กับสิ่งที่มันดับไปแล้วเรามองไม่เห็นว่ามันจะต้องดับถ้ารู้ตอนต้นว่าจะต้องมาร้องห่มร้องไห้อย่างนี้ไม่เอาดีกว่าอยู่เป็นโสดดีกว่า อยู่เป็นส่วนมันก็ทุกข์อีกแบบหนึง่งทุกข์เพราะความอยากอยู่คนเดียวแล้วมันเหงาก็เ <g ül> ลยยอมทุกข์กับทุกข์กับแฟนดีกว่าอย่างน้อยช่วงเขายังไม่ดับนี้ก็ยังมีความสุขอยู่มันก็เลยเลิกไม่ได้สักทีด <g ül> นกว่าเราจะมาทำใจให้สงบได้นะเราถึงจะเลิกได้เพราะเมื่อเราทาใจให้สงบเราจะมีความสุขไม่เหงาอยู่คนเดียวไม่เหงา <g ül> นั่นต้องมาฝึกสมาธิกันแล้วเราถึงจะเลิกสิ่งต่างๆที่เราติดอยู่ได้เพราะว่าถ้าเรายังไม่มีสิ่งใหม่มาทดแทนสิ่งเก่าเราก็ทิ้งของเก่าไม่ได้ของเก่ามันจะไม่ดียังไงก็ยังถูถไปได้เหมือนมีรถเก่าเนี้ยมันก็ยังวิ่งไปได้เสียบ้างไม่เสียบ้างแต่ถ้าไม่มีรถใหม่เนี่ยเราไม่เราไม่ทิ้งรถเก่าหรอกแต่ถ้าซื้อรถใหม่มาดีกว่ารถเก่ามันรู้จะเก็บรถเก่าไว้ทาไม อันนี้ก็เหมือนกันถ้าเราได้ความสุขแบบใหม่เราก็จะทิ้งความสุขแบบเก่าได้ความสุขที่เป็นแบบสุขๆดิบๆนี่ได้งั้เราต้องมาสร้างความสุขใหม่กันมาทำใจให้สงบแล้วเราจะได้ความสุขที่ดีกว่าเพระเราได้ความสุขจากความสงบแล้วที่นี้มีอะไรที่เราใครติดเคยยึดเราก็ทิ้งได้หมดพะเรารู้ว่ามันจะต้องทาให้เราทุกข์ไม่ช้าก็เร็วเดี๋ยวจะต้องมีการพัดภาคจากกัน งันคอร์ดนี้ก็ไม่ต้องไปก็ไม่รู้แหละเดี๋ยวจะไปหาว่าเรายุโยงส่งเสริมเราก็พูดไปตามภาษาของเราส่วนคุณจะไปไม่ไปเป็นเรื่องของคุณเดี๋ยวเขาก็มายุให้ไม่มาไม่ให้มาเรียนที่นี่เดี๋ยวก็ด่ากันไปด่ากันมาไม่เกี่ยวนะเราพูดไปตามภาษาของเราส่วนใครเขาจะเรียนแบบนั้นก็ให้เขาไปเรียนแบบนั้นกัน อพอใจแล้วนะต้องกลับคำถามจากทาง Facebook นะคะ <c oughs> กลับเรียนหลวงพ่อค่ะเวลานั่งภาวนาอยู่แล้วลูกเข้ามาหนุนตักเราแต่เราก็ทำต่อไปแบบนี้ได้ไหมคะขอบคุณค่ะได้แต่มันจะไม่ได้ผลนะเนี่นเยเพราะมันจะมีอะไรมาคอยรบกวนใจเราอยู่เรื่อย ทำได้แต่มจะไม่ได้ผลใจมันจะไม่สงบเออเดี๋ยวลูกขยับนิดขยับหน่อยมันก็มารบกวนใจเราแล้ ว, ลวใจเราก็ไม่นิ่งเดี๋ยวก็อยู่กับลมปับ๊บเดี๋ยวก็ต้องกลับมาที่ลูก อ, อ้าวมันก็กลับไปกลับมาออมันก็ไม่มีวันที่สงบได้คําถามจากทาง y o u ูทูบค่ะกราบนมาสการพระอาจารย์ค่ะเขากาสถามพระอาจารย์ว่า การทานยาถ่ายพยาธิจะผิดศีลข้อที่หนึ่งสมาทานว่าโจ้เล้าเว้นจากการฆ่าสัตว์หรือไม่คะก็เราไม่ได้ฆ่ามันเนี่ยเราเพียงจะถ่ายมันออกไปจากร่างกายเรา น, นั่นเองจะมันจะอยู่ได้ไม่ได้ก็เรื่องของมันเองคาถามจากคุณสุภวั์ค่ะขอโอกาสเรียนถามพระอาจารย์ครับภาษาวก อรหันยังเทศสอนผู้อื่นให้ไปนิพพานได้แล้วทำไมพระปัจเจกถึงสอนผู้อื่นไปนิพพานไม่ได้ครับทั้งทางที่สะสมบา ร, รมีมามากกว่าบา ร, รมีที่พระปัจเจกสะสมสะสมมาท่านออกช่วยโลกในรูปแบบไหนครับคือถ้าหนา จ, จะไปอยู่ในยุคที่ไม่มีใครอยากจะฟังธรรมะสอนไปก็ไม่มีใครสนใจ เท่นไปอยู่แถวพัทยาใต้เนี่ยลองไป้องไปเทศสอนแถวนั้นดูเลยไม่มีใครเขฟังหรอกพรงนั้นเขาจะหาแต่รูปเสียงกลิ่นล่นเขาไม่เลยไปหาธรรมะลองไปเปิดร้านธรรมะอยู่แถวพัทยาใตา้ดูเลยจะมีใครเข้าร้านไหมไม่มีหรอกดังนั้นบางทีท่านไปอยู่ในยุคที่ไม่มีคนสนใจธรรมะท่านก็เลยไม่สอนเท่านั้นเอง ไม่ใช่ท่านสอนไม่เป็นท่านสอนได้แต่ท่านอาจจะเห็นว่าไม่มีใครสนใจแม้แต่พระพุทธเจ้าของเราตอนตัดสรลุใหม่ๆก็คิดแบบนั้นคิดว่าเ อ, อคนส่วนใหญ่เพราะท่านก็เป็นคนในวังท่านอยู่ในวังก็หาแต่ความสุขจากแบบพัทยาใต้นี่แหละแต่ก็ไม่คิดว่าใครจะมาอยากจะมานั่งสมาธิมาอะไรต้องเป็นพวกที่เหลือเดนจริงๆ ในที่สุดท่านก็มานั่งคิดดูก็แยกคนเป็นบัวซีเหล่าก็เลยเห็นว่ายังมีพวกที่สนใจพอที่จะรับประโยชน์ได้ท่านก็เลยเลือกสอนแต่คนที่สนใจคนที่ไม่สนใจท่านก็ไม่ไปสอนคณถามจากคุณจั ก, กริดคะ่ะขอสอบถามว่าจะให้เด็กฝึกสมาธิควรเริ่มต้นฝึกอย่างไรอ๋อถ้าเด็กก็ให้ ให้เด็กฝึกศีลเด็กอะไรไปก่อนดีกว่าเพราแต่ยังไม่มีศีลฝึกสมาธิก็ไม่ไม่เกิดประโยชน์อะไรนะีต้องมีศีนลนองนับสนับสนุนก่อนยังสอนเด็กให้มีความซื่อสัตย์สจริตก่อนพระพุทธเจ้าเวลาสอนลูกที่ไปบวชเป็นเองท่านสอนให้มีความสัต์มีสัจจะก่อนไม่ให้โกหกให้รู้จักการพูดปนว่าไม่ดีท่านเปรียบเทียบ ท่านยกเอาตังน้ําขึ้นมาขันหนึ่งแล้วก็บอกราหุ่นที่ลูกว่าทุกครั้งที่ราหุ่นพูดบทนี้ก็เหมือนเทน้ําออกจากขันไปที่ละเนดเนี่ยถ้าพูดบดเรื่อยๆต่อไปน้ําในขันก็หมดน้ํานี้ก็เปรียบเหมือนกับความดีงามในตัวเราเนี่แหละถ้าเราพูดปทไปเรื่อยๆต่อไปความเชื่อถือความดีงามในตัวเราจะไม่มีจะไม่มีใครเขาเชื่อถือเราว่าเราเป็นคนดี เพราเราพูดยังไงมันไม่ตรงกับความจริงที่เราพูดเนี่ยท่านสอนสอนเนนสอนสัมาเนรลาหุนก่อนให้สอนให้มีศีลก่อนอแล้วให้แล้วค่อยไปสอนเรื่องสมาธิต่อไปอสมาธินี่ไม่ใช่เป็นเรื่องที่จะสอนให้กับเด็กเป็นเรื่องของผู้ที่เอมีสติอ ที่สามารถที่จะนั่งสมาธิทําจิตใจให้สงบได้ตะต้องมีศีลก่อนเดี๋ยวถ้าไม่มีศีลไปนั่งสมาธิบางทีจะเอาสมาธิไปใช้ในทางที่ผิดได้คำถามจากคุณมาติมาค่ะกาบเตียนถามค่ะมีความวิตกกังวลเยอะควรดึงจิตมาอยู่กับลมหายใจ พุทโธจะช่วยได้หรือไม่เจ้าคะได้ถ้าเราไม่คิดความกังวลก็หายไปความกังวลมันเกิดจากความคิดของเราคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วก็กังวลไปอเพราะไม่มีปัญญาเพราะมีความอยากให้เรื่องราวต่างๆเป็นไปตามความอยากของเราแต่ไม่มองความจริงว่ามันเป็นไปได้หรือไม่ก็เลยวิตกกังวลไปต่างๆนานานะแต่ถ้ามี ปัญญามันก็จะไม่วิต ก, กังวลมันรู้ว่ามันอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดนะ่ะคำถามจากคุณปุ้ยคะ่ะกราบพระอาจารย์เจ้าคะ่ะถ้าเราตั้งใจทํางานทํางานได้สําเร็จแต่เพื่อนร่วมงานเกลียดเราว่าร้ายเราเสียเสียหายหายเราควรทําอย่างไรเจ้าคะก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาอยู่ในโลกนี้พุทธเจ้าบอกว่ามีทั้งสรรเสริญมีทั้งนินทา แม้แต่พระพุทธเจ้าก็มีคนนินทามีคนว่ากล่าวยังห้ามเขาไม่ได้คนที่อยากจะว่าเขาก็จะจะว่าไปเรื่อยๆทำให้ดียังไงก็โดนว่าแม้แต่พระพุทธรูปก็ยังโดนตำหนิบางคนก็บอกคูยาวไปหน่อยจมูกโด่งไปหน่อ ย, อยนั้นเป็นเรื่องปกติอย่าไปถือสาคิดว่าเป็นเหมือนเสียงฝนตกเสียงฟ้าร้องไปก็แล้วกันห้ามเขาไม่ได้ เราดูความจริงไว้ก็แล้วกันความจริงเป็นยังไงเราก็ถ้าสิ่งที่เขาตาหนิสิ่งที่เขาว่ามันมันตรงว่ามันไม่ดีจริงตามที่เขาพูดเราก็ควรจะยกมือไหว้เขาขอบใจเขาที่เขาชี้คุ้มซ้ำให้กับเราเพราะว่าบางทีเรามองไม่เห็นข้อบุ่องของเราพอเขาบอกข้อบุ่องให้กับเราเราก็จะได้ไปแก้ไขได้ งั้นอย่าไปกังวลกับการพูดของคนอื่นใครพูดอะไรให้ฟังด้วยปัญญาฟังแล้วมาวิเคราะห์ดูว่าจริงหรือไม่จริงมีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์กับเราถ้ามีประโยชน์เราก็เอาไปทําประโยชน์ไม่มีประโยชน์ก็ก็ปล่อยมันไปผ่านไป <c oughs> บอดแล้วนะอมีใครอยากจะถามอีกไหมาถามได้นะเ อ, เอาไหม ในเรื่องของโลกเป็นอย่างนี้พุทธเจ้าบอกว่าโลกธรรมเราอยู่เราเกิดมาในโลกนี้เราจะสัมผัสกับโลกธรรมสี่สี่คู่ด้วยกันคือลาบยศสารเสริญสุขที่มีทั้งส่วนที่ดีที่เราส่วนเจริญและส่วนที่ไม่ดีคือส่วนที่เสื่อมมีเจริญลาบก็ต้องเสื่อมลาบมีเจริญยศก็ต้องเสื่อมยศนะ เป็นนายพลได้เพราะอายุหกสิบปีเขาก็ปลดนะ อ, อังมีสรรเสริญก็มีนินทามีสุขก็มีทุกข์อย่าเอาเพียงด้านเดียวอย่าเอาแต่ลาบยศสรรเสริญสุขจนลืมว่าจะต้องมีการเสรื่อมลาบยศสรรเสริญสุขไปถ้าเราไม่ลืมเวลามันเสื่อมเราก็จะไม่เสียใจที่เราเสียใจเพราะเราลืมเพราะเราไม่อยากให้มันเสื่อม เนต้องหมั่นสอนใจหรือเรื่อยว่าเราอยู่ในโลกของอนิจจังทุกขังอนัตตาอนิจจังก็คือเสื่อมมีการเปลี่ยนแปลงมีเกิดมีดับอนัตตาไปห้ามเขไม่ได้ไปสั่งให้เขาไม่ให้เสื่อมไม่ได้หมดรหมยังคำถามจากคุณปาถนาค่ะกับเดียนถามพระอาจารย์ครับถ้าหากว่าเรานอนฟังธรรมจะบาปหรือไม่ครับ ไม่ บ, บาปหรอกเพียงแต่จไม่ได้ประโยชน์นะพราะนอนฟังธรรมแล้วเดียวมันจะหลับง่ายกว่านั่งฟังธรรมแต่ถ้านอนแล้วไม่ไม่ไม่หลับก็ไม่ไม่เสียหายตรงไหนเพียงแต่ว่าต้องรู้จักกาลเทศะอย่ามานอนฟังตรงต่อหน้าคนที่เขาแสดงก็แล้วกันถ้าเราอยู่บ้านเราอยู่วันบางวันไม่สบายอยากลุกขึ้นมาไม่ได้นอนฟังธรรมอย่างนี้ก็ไม่เสียหายตรงไหน แตต้องมีการละเทศะอย่าไปที่โบสถ์กลางโบสถ์แล้วก็เอาที่นอนไปหมอนไปวางาแล้วหลวงพ่อขอนอนนะขอนอนฟังนะหลวงพ่อเรามึงเอาเปรียบกูดีกว่ากูนั่งกูนั่งเทศมึงนอนฟังนะเดีวกูขอนอนเทศบ้างมีไหมการกระทำบางอย่างก็เป็นเรื่องของการละเทศะ แล้วก็ผลด้วยบางทีนอนฟังมันอาจจะเคลิ้มง่ายกว่านั่งฟังขนาดนั่งยังเคลิ้มเลยแล้วนอนนี่พอพระตั้งน้โมเสร็จยังไม่ทันขึ้นหัวข้อเรื่องครงับคลอกไปแล้ ว, ลวถ้าอย่างนั้นก็เอาธรรมะเป็นยานอนหลับไปไม่มีคําถามก็ามาใช่ไหมไม่มีก็เอาแค่นี้ก่อนนะนะเพราะว่าก็พอสมควรแก่เวลา